ก็กลับมาฉันไปสาลก็ไปแล้วโรงเรียนอ ะ, อะไรล่ะฮะจักรวานกิดก็ไปแล้วทิ้งหมูทิ้งมีรไป4ี่ห้าวันแต่ก็ไม่ได้ไปเล่นหรอกก็ไปทำธุระหน้าที่หลายอย่าง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 ประโยชน์ <c oughs> เขายัางเป็นคนดีไม่ได้ปีนี้ปีหน้าหรือชาติหน้าก็ายังอาจารย์มีมองไปเราก็พยายามทำความดีให้รู้สึกตัวเอาคนดีมาเป็นแบบอย่างเช่นเราภาษาวก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 อันนี้เขาถือว่าเราก็ทําทุกอย่างหยู่แล้วเรามีความรู้สึกตัวนะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็เจียอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วเราก็รู้สึกตัวอยู่แล้วความรู้สึกตัวอย่าไปเล่งไม่ใช่เรื่องเล่งเรื่องรีบเรื่องช้าเรื่องไวไม่ใช่ความรู้สึกตัวมันก็มันพอดีแล้ว ชอบแล้วพองทีเรารู้อยู่ถึงว่าเราลู่หรือเปล่าแล่งเอาแล่นเอาไม่ใช่มันเราวิ่งอยู่ก็วิ่งมันก็วิ่งอยู่แล้วแล้วก็ทําที่สุดแล้วไม่ใช่เราวิ่งแล้วเราต้งพยายามที่จะไม่ให้ถึงอกถึงใจไม่ใช่มันจะเหนื่อยสองต่อวิ่งก็ไม่เป็นเรื่องวิ่งใจก็ยิ้มไปนั่นแะที่วิ่ง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 จะไปหาอีกจะไปหาอะไรอีกจะไปเป็นเรื่องผิดเรื่องถู ก, พกเพราะคนก็ลองมีสติแม่แต่พระธรรมวินัยนะภิกษุผู้มีสติดีห้ามไปปรับอวบัติแก่ภิกษุผู้มีสติเพราะมีสติดีอยู่แล้วแต่ถ้าทําอะไรที่มัน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 ไปกระโดดข้ามองค์หน้าของขพระนลก็คิดไปอย่างนั้นสมัยพระนลเป็นพระหันแล้วนะอ่ะพานนอพระนลเย็บจีวรพระพุทธเจ้าเอาเนิ้อเท่าเหน็บไว้ส่วนส่วนวนั้นก็มือดึงมาให้มันตึงอ่าพิสทั้งหลายไปโจดพระนล ว, ว่าเอาเท้าไปเยียบไปขี่พระท้ายีวรพระพุทธเจ้า ตงปรับอาเจาเธออ้าวพระ น, นรนก็ยอมอ้าวพระนรนขนขวายให้ผู้หญิงบวดอ้าวพระนนขนขวายให้ผู้หญิงถวายพระเพลิงก่อนผู้ชายอะไรที่เราปรับพระนนจริงๆแล้วพระนนไม่คิดไปอย่างนั้นไม่ได้เจอขนาดที่จะไปให้เบียเดเบียนใครเราหาว่าขนขวายเรื่องผู้หญิงกันไป ถ้าปเปียบจีวรเราลองไปเที่วมันไม่มีผู้ช่วยเขาเอากายเนี่ยช่วยเหยียบไว้หนีบไว้เพื่อให้มันตึงหาจะดึงไม่ได้ะนะาการที่มีสตินในตัวเราก็อย่าอย่าไปให้มันเล่งอย่าไปทำอะไรให้มันดีไม่ใช่สติเป็นดีแล้ว พอรู้จักตัวมันดีแล้วถ้ารู้จักตัวก็สบายแล้วจะไปหาอะไรอย่าไปเอาคิดเอาโทษกกับอะไรอะไรที่มันมาเราก็รู้จักตัวนะ่ะดีแล้วถูกแล้วนะ่ะมันสร้างอะไรมาสร้างตัวนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆคนทําดีบางคนทําดีทั้งใจร่อนอยู่ทังรีบทั้งร่อนอยู่หน้าดําค้ื่งเครียดอยู่ไปร่อนทําไม อเราทําดีอยู่แล้วปกติไปเลยถ้าใครถามเราก็ดูอยู่นี่แหละเหมอกับอเราทํำงานด้วยกันคนหนึ่งไปดูจุดนั่นคนหนึ่งไปดูจุดนี้เราถามว่าเพรานั้นอยู่ด้านไหนอ ย, ออยู่เราทําเราอยู่เขาบอกเขาดูอยู่นี่กันแน่ไปเพราะเขาดูอยู่แล้วพขาดูงานอยู่แล้ว แล้เขาอุ่นใจเพราะเขาดูจุดอ่อนของของงานของการอยู่การปฏิบัติธรรมก็เหมืนอนกันเราดูอยู่แล้วล่ะรู้อยู่แล้วละอะไรก็ทำเบาๆทาไม่ยากความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นเรื่องทําให้ยากความรู้สึกตัวมันเป็นเรื่องที่ทําถูกต้องอยู่แล้วอยู่ด้วยชอบแล้วอ่าปฏิบัติธรรมนะ ก็ไม่มีไม่เห็นมีอะไรยากนะถ้าภาวนสตินะขณะที่จเจริญสติอยู่ไม่มียากไม่มีง่ายมันเป็นธรรมมันพอเหมาะพอดีอาจจะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแต่เป็นธรรมความเห็นใ้ถูกต้องก็ทำความเห็นใ้ถูกต้อ ง, อ, อ, งอยู่ในตัวสิทธิ์เลยนะพุทธเจริญสติน ะ, ะ น, นะนั่นพวกเราจงไว้ใจกันหลวงพ่ออยู่หรือหลวงพ่อไม่อยู่ ไม่เป็นไรคนเจริญสติไม่เป็นไรผู้ที่เจริญสติแล้วไม่ได้เกี่ยวกระทำเลยที่เขากับตัวเราแทะๆลุกจุดตัวอยู่นี่แล้วลุกจุตัวอยู่นี่แล้ววางใจวางใจกับผู้เจริญสติแล้วเขาก็ทําเป็นแล้วเราก็ได้บอกแล้วไม่คืสร้างสติเขาก็รู้แล้วว่าอันนี้คือสติ คือความรู้สึกตัวอันนี้คื อ, อสติคือความระลึกได้อันนี้คือสมัมผัสัญญาความรู้สึกตัวเขาทำํำไปแล้วเขาทําเป็นอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําถูกแล้วเขาก็ทําถูกแล้วคนที่ทําถูกอยู่แล้วจะไปเขี่ยไปเขียนเขาละหัวโลว์เทียมเวียดเขาดำอยู่แล้วเขไปเขียนไปตีเข า, เข า, าก็ไรอย่า เขาก็ทิ้งแอกทิ้งรอทิ้งเปลี่ยนไปเลยการสอนตัวเองกระบันกันบางีมันลีกตัวเองเกินตัวเงก็ทิ้งมันกันไดมันก็ไม่ออกไม่ไปคงเส้นคงวาเหมือนเราบีเข้าหนกจีนใส่เฟือนเสืเฟียนมันมีรูอยู่เราก็ค่อยบีให้มันไปตามรูมันไหลออกไปตามรูของมันไม่ใช่เป็นเล่ง อันเร่งมันก็ออกรูไปทำก็แตกเรียว่าเสื่อนเฟียนแตกพอเฟียนแตกก็ได้เรื่องเลยมันต้องเสียเวลาต้องไปฝ่าต้องไปตากต้องไปเย็บมันามคนปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยถูกทำไม่ค่อยถูก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 ไม่ได้ยากไม่ถึงกับหน้าดำเค่องเครียดอะไรนะเราพูดจังว่าโอ้ยมันสบายการเจริญสต่งมันโตทันทีมันเป็นโอปปาติก ะ, ะมันผุดขึ้นทันทีถ้าจะเป็นเทวดาก็อเป็นอุบัติเทพ ท, ทันทีเป็นเทวดาทันทีอุบัติขึ้นทันที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 พคนทํางานต้องเป็นอย่างนั้นพกคนก็ทํางานไปเห็นสิ่งที่มันผิดก็ถือว่าเขาได้บทเรียนเขาได้ประสบการณ์จากการทํางานเขาจะเห็นจุดโดดตรงที่มันเสียตรงที่มันทำไม่ให้สวยเสริมตรงนั้นเหี่ยวยาตรงนั้นอ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 ได้ทํามาแบบนี้ได้ทําอย่างนี้มันมีแบบฉบับอยู่ในธรรมวินัยในคําสอนพระพุทเจ้าแต่พระเจ้าสอนเรื่องสติก็พูดเรื่องสติแต่ใครมีความโกรธเขพูここดเรื่องความโกรธใครม่ความทุกข์เขพูดเรื่องความทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าก็เคยโกรธพระเจ้าเคยทุกข์พระเจ้าเคยหลงสมัยยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะสมัยยังเป็นกิจทัตถะ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 ไม่ใช่ว่าเออเดีแล้วดีแล้วความกดถูกแล้วถูกแล้วไม่ใช่ความหลงดีแล้วดีแล้วไม่ใช่ไม่มีใครเห็นความหลงความกดว่ามันเป็นเรื่องดีเรื่องถูกลเรื่องต่อสหรับผู้ปฏิบัติธรรมความทุกข์ดีแล้วดีแล้วที่มันทุกไม่ใช่เราก็ต้องสอนก่อนแล้วเราก็ไม่ต้องให้คนอื่นสอนเราก็เห็น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 เห็นความคิดรู้แล้วเรื่องของความคิดเห็นทำรู้แล้วเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเป็นกุศลเป็นอกุศลรู้แล้วนี่ทำไปจะไปรู้มันผ่านมาให้เราเห็นกับตาตาในของเราได้เห็นอยู่ได้เห็นได้พบได้เห็นอยู่นี่แล้วเมื่อเห็นแล้วเราไปเกี่ยวข้องเราไปทำแล้วมันเราทำไร ด, ด้วย ทำไม่ได้ก็ยังมีงานไดะทําอยู่อเออนี่เรามีงานเออนี่เราได้งานแล้วพอพอใจที่เราได้งานเราจะได้ไปทํางานเห็นเราไปเทศมีพระโูดเทศถามเราเราตอบไม่ได้แสดงว่าเรามีงานแล้วกลับมาวัดตรงค้นคว้กันใหญ่ มันอยู่ตรงไหนคำนวณดูหารหัสกันดูแล้วก็ถามตรงนั้นว่าต้องอยู่ตรงนี้คาว่าหมดในมาอยู่หมดนั้นมาตรวจหาดูแล้วก็เจ๋งเลยป่ะเลยจากการที่ได้งานทำงานไม่เป็นกลับมาซ่อมเพลงมันทำงานเป็นมันก็คงไปเรื่อยๆไป่านปฏิบัติธรรมกับบานกาน อไหนที่มันทำให้เราข่องแวะอยนางพยาบาทกามรมลคภความง่เงาหอนอนความรังเลยสงสัยตัดสินใจไม่ลงอยากคิดเรื่องเก่าอยู่เรื่อยเราก็รู้เขายังไม่ไปทางไหนเลยยังเอามาคิดอยู่เลอเนี่ยสิบปีแล้วยังเอามาคิดอยู่ คิดแล้วก็โกรธทันทีคิดแล้วก็เสียใจเสียใจอา้าวมันยังอยู่ตรงนี้รือเคลื่อนย้ายตัวเองขับเคลื่อนตัวเองไปนะปฏิบัติธรรมนะี่มีประสบการณ์ตลอดเวลาอยาไปรีดขออยาไปรีดทำสบายนะคนทำสบายเมื่อเรากินข้าว คนกินข้าวกินสบายสบายเที่ยวอาหารไปไม่ใช่ไปรีบอันนั้นชอบวันนี้เราไม่ชอบคนปรุงอาหารไม่ดีเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปอาหารมันก็เค็มอย่างเียอาหารก็เผ็ดอย่างเียแต่ถ้าเราทําไปสบายสบายมันจะไปฉันข้าวอยู่ที่ซิกาโกะ มีพระหลกหนังพระพระน้อยพรหนุนกน้อยเราก็ฉันข้าวเลยสองสามขันคําเขาโกวางช่อนเป๊ะลงไปเขาพโดว่าหุงข้าวไม่เอาไหนเลยแขกเกินไปแล้วโคตรคเออเ อ, อ้อาก็ไปทางนัน่นได้นะเออเราก็เลยแขกนี่แนละ้วเราก็เลยถ้าเรามองเขาเขาหลงไปน้อะ อราลงไปเราก็ลูสึกตัวเราก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้จะเขาคนหลงก็ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเม่ครัวที่ชันเข้าอยู่คนละโตเขาก็เสียใจคำพูดของพระพูดหนึ่งพูดออกมากระทบคนอื่นก็เสียใจเอาเจ้าวาดก็โกรธขึ้นมา พอฉันเข้าเสร็จก็เรียกมาถามคนทำันคนทำไมคนยังไม่รู้จักอะไรเอามาสั่งมาสอนก็เลยกระทบกระเทือนสาหรับเราไม่เป็นไรมันก็ธรรมดาแล้วเนาะคนโมล่ห ล, ล, ลงก็ไปอย่างนี้แล้วสบายเมื่อเห็นอะไรเ่นก็เข้าใจแล้วเขาหลงแล้วเขาชอบหลงข้าวที่มันไม่แช่ สำหรับคนบางคนบางคนก็งหงข้าวให้เปียกๆแข่หลวงพ่อนะทำนะคนสะอาดได้ไหมหงให้มันแตกๆให้มันเปียกๆไม่เป็นไรถ้าก็งหงมามันผมกันได้เออดีจะได้เคี่ยวนานๆแต่หงแหลกหงแตกก็ได้เออดีจะได้เคี่ยวง่ายๆเคื่อนง่ายๆมองไม่แย่ดู เาใช้ทิ่งช่อนเป่งโคดบนเนี้ยไปเลยาใช่ไ <c oughs> แสดงว่าเขาลหลงการปฏิบัติธรรมกวนกันอของี่วันไม่ดีของี่วันจะปรุงยุดหล่เท่าโลูทันให้สติสมัยฉันยะอยิ่มหมอนละะ้อย่อมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็พลาด้าง การทำอะไรสีเท่าย่อมพลาดตักปาดยออ่อมเพ้อบางวันแม่ครัวก็ปรงอาหารไม่ปกปับางวันแม่ครัวปรุงอาหารเชฟเออก็โรคธรรมดาเหมือนเหมือนกันอมองในแง่มองแบบมองเป็นประโยชน์เห็นใจเห็นอกเห็นใจเขาไม่ได้เจตนาะธรรมดาแม่ครัวก็ไปต้องเสียใจมีใครบ่นอ่ะนะ เสียใจไหมแม่เม่พระพูดจากนั่นขึ้นมาหูเข้าไปเอาไหนเลยมองแม่ครัวลุกหนีไปเลยแม่ครัวทำยังไงถ้าเป็นยังไงนะโกรธไหมโกดป่ะพี่อินซี่โกรธไหมอะไรโกรธอ๋มองไม่แง่ดีเขาก็ว่านั่นแหละ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 ไปเรียนรับทำเช่นตีทีแรกพอไปท่องกันเนี่ยเขาโอ้มีคนก็พูดโอ้มีมีพู้ได้มีพระพุทธเจ้าองเดียวเท่านั้นแหละป็นศาส า, าลู้ได้ตัดสลู่เรื่องนี้พ้นไปได้ส่นอื่นไม่มีทางนะแต่วันนี้เ็าอย่างได้ยินคนพูดปฏิบติธรรมทำไมไมมีพระพุทธเจ้าองเดียวเท่านั้นแหละ สมัยทัวรนี่บทยุกจดสมัยพะ น, นิุพานมาผลินพันแล้ว mm hmm. เขาก็ว่า mm hmm. เออทำงานตอนสมัยเป็นเนเ น, เนเนี่ยอ่อนอะไรน <c oughs> าทิตัณหาสมานาทีแม่น้ำมสมัยด้ว ย, วยตัณหาไม่มเอาพอไปทองพระสิธิบทหนัง่งนาทิสันติปรังสุขขังสุข อ, อื่นยิ่งกลัวความสงบไปไหมโอ้ผมก็ยังมีหวังอยู่นะเนี่ย สุขอื่นยี่หัวความสงบไม่มีปัญญาวัฒ เ, เนและเสยโยปัญญาประเระสริฐกุศลเอาอัตหาเวชิตังเฉยโยชนะตนอันและประเสริฐเอมันก็กลับเลยแต่ก่อนเราคิดว่าจะชนะคน น, นั้นคนนี้พอมาท่องพอเจดเขาเอามันก็ <c oughs> มีในท่องทาง อาตาหาเวชิตังเสยอโยชนะตนนั่นแหละเปรตชนะคนอื่นร้อยข้างถ น, นนไม่เท่าชนะตนเครื่องเดียว <c oughs> <c oughs> ท่องพระจิตข อ, อท่องพระจิตไปบางบางพระจิตก็เชี่ยนเรามากบางพระจิตก็เคลียเราเคลียเราให้เราได้สู้บางพระจิตก็ให้เรากลัวทำให้เรากลัวเอาไปเอามาก็ เรียนไปใส่ใจไปมันทํำท่าจะวางหนังสือทิ้งทิ้งการทิ้งงานอ๋อไม่เอาได้เลยวางข้างก็ไม่ความอุดสหภาพเรียนเออก็เอาอย่างเอาเน้นน้อยเนังเขาได้รับทํากสันติแล้วเนินเอาหนังเน้นธรรมชนโทอะไรผ้ะหาผัวเรียนแล้วก็ อ, อย่างก็ว่าเขาก็คนเอนกันเราก็คนเหมือนกันคิดไปยังนั้น พอดีก็ต้องยอมใจโดยง่า้สุดพวอะไรที่มันยุ่งๆ ย, ยากๆก็ต้องมองประโยชน์เขาตื่นเ้ายังทำได้คนอื่นเขายังไม่นอนก็าท่องหนังสือเราก็ไม่นอนก็ได้คนอื่นเขาตื่นเสียงท่องหนังสือเราก็ต้องตื่นได้ก็บางอย่างก็เป็นแบบอย่างกันพวกเราอยู่ด้วยกันหลวงพ่อก็อยู่กติจังนั้น อ า, อาจารย์เขาเร่องเขอยู่กติหลังนั้นแม่คีก็อยู่กติหลังนั้นสามเลลีก็อยู่กติหลังนั้นพิกสุนีก็อยู่กติหลังนั้นเอาเราก็อุ่นใจตะบันเขากำลังทําความเพียรอยู่ใครหลงหดหลงเราก็ช่วยกันช่วยกันรอกันคอยกันอ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 เราอยู่ร่วมกันกับความสุขเราอยู่ร่วมกันกับความทุกข์มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วอยู่ร่วมกันกับความโลภความโกรธความหลงมันก็ต้องมีมันเราอยู่ในป่าอยู่ในป่าเลยปฏิรังไหนก็ต้องมีมุดเพราะทำไมต้องมีมดเพราะเราอยู่ในป่าไม่ใช่ว่ากฏิลังนี้ไม่มุดเยอะกฏิรังนั้นไม่มีมันไม่ใช่เ ม, มื่อบรรลุไปมี แต่ว่าเมื่อมันยังไม่มีแต่เมื่อมันมีมันก็จะต้องมีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพอ เ, เป็นเป็นที่อยู่ของเขา<ม>เจองูบ้างบางทีก็มียุงบ้างบางทีก็เดินหกล้มบ้างระวังนะเดยดูนี่นะมีคนจังหวัดสงขลานะอาหาดใหญ่แม่คนแบบขันมาอยู่เกิดผู้ยังไงล้มล้มลงไปก็เอามือเท่าแขนหักเลยไปพาไปหาหมอ ระวังนะมันลื่นนะเป็นตุ่มลื่นไปทีหนึ่งเอยแล้วก็ระวังเต็มที่อนะเรื่องความร่มตรงไหนที่มีทางเขียวๆถนนเขียวๆที่มันขึ้นใครน้ำนะระวังให้ดีๆมันลื่นแบบยั่งมาอยู่โดยเฉพาะคนแก่มันพวกเราเนะี่ยล่มนะคนสะอาดนะยงแด้วนะยงอืง <c oughs> <c oughs> ระังมีอะไรที่มันมีอยู่ด้วยกันเราเดินถนนทนทางแล้วมียูงกัดมีเหลือบยูงกัดในริงไม้ในใบไ ม, ม้มีงูพิษแต่ก่อนมีช่างมีเสือนัอ่นภาษาอะไรนี่ข้ามาปาเน่เอาเสียงหมีกัดกันแล้วเสียงช่างยอกข้อ ก, กันแล้วเอ๊ะเอ๊ะคือนี่ ทำยังไงล่ะฮะเมื่อได้ยินเสียงช่างจะทํำยังไงฮะทีเป็นทีสามในเนลีเมื่อได้ยินเสียงช่างมันล่องทําไงเสียงเสือร่องตลอดคืนก็ไหนสองพันห้ารอยสิบหกนาวเป็นน้ำแข็งเปือาเสือล่องตลอดคืนเสียงหมีกัดกันอยู่โพกลางโน่น บางมาบางคนก็นอนไม่หลับขัวนี้นะขัวเสือไม่ขัวอะไรทีมดก็มีปัญหาโยงก็มีปัญหาความร้อนก็มีปัญหาความหนาวก็มีปัญหาไม่ต้องมีปัญหาได้ไหมไม่มีปัญหาเห็นมดก็โอ้เขาบอกเขาไล่เขาไปทําไมโอ้ยเมื่อมดเยอะอะไรต่อ มดตั้งก็เบี้ยนะตรงไหนมันก็หาที่อยู่มันแล้วปติธรรมเสียงดีบางทีทําทําให้มันอยู่ด้วยในซอกไมุ ม, ม, มก็เข้าไปไข่ไว้วางใส่ในบางทีมาไข่ใส่พัดลมมาไข่ใส่เครื่องขยายเสียงมาไข่ใส่อ่าเทปก็ยังไม่เห็นไหมหม้วนเทปนะไว้ไข่ใส่เต็มหมดเลย <c oughs> เราก็หาที่อยู่มันจะเหล่าความปลอดภัยอเห็นใจกับว่าก็าป้องกันดีๆค่อยยกต้นคอยตัวติของอย่าให้มันวางอยู่ดานอ่าบางทีตะขาบจะดูผลชื้นๆมัญหาความอุ่นเหมือนกันพวกสัตว์ที่มี็พิษพวกตะขาบพวกงูแต่พวกงูทําฐานชอบความชื้นความมืดประตู ปิดบ้านมันชอบความมืดความชื้นอ่าถ้าจะไปวางกองไว้นานเกินไปกล่องกระดาษเอาของไปปักไว้ตรงนั้นไม่เพ่อนไม่ยาก ใ, ใครจะไปยกกล่องกระดาษก็ต้องดูดีๆเามือไปัวาลงไปไม่ควได้อให้แต่ยังเครื่องสูหน้ำจานสูทรัดมันก็ยังเข้าไปอยู่หัวสมสานปัญหาท่รับทหลกที่ซ่อนมันกับพวกเรา เราก็สร้างกติกาอย่างดีปิดประตูหน้าตา่างหาผ้ามมโหสถอย่างดีเหมือนกันเราก็ดูเคลื่อนไหวอย่าให้มันสกปรปกของอย่าให้โรคภูมิหลังอย่าให้มีกลิ่นอับกลิ่นสาบของอยู่ของกินเราวัตถุวามันได้กลิ่นหนูมากินได้กินหนูมาเมืม่อหนูมางูก็มาถ้าก็ ถ้ามีอะไรตะเก็บให้ไม่คิดอย่าให้มันสะดวกในการอยู่การกินพวกสัตว์อะไรต่งตางๆก็จะ น, นี่ไปกลัวแล้วกลัวไหมกลัวไหม่ต้องกลัวอ่าก็สนุกดีนะแต่ก่อนมัไม่ใช่อย่างนี้นะไอคีเนี่ยต้องพอ มาไล่งูให้ด้วยมาจับงูให้ด้วยลุงพอ่อไม่รู้อะไรมาตีฝาอยู่นี่เรียกไปตีสังกะสีอยู่เนี่ยบางทีสัตว์สมัยก่อนเหมือนคนพูดกันตลอดคืน อ, อีพ่อก็มาอีแม่ก็มาแจ้งแล้วแจ้งแล้วร้องพ่อแจ้งแล้วแจ้งแล้วร้องพ่อแจ้งแล้วเอา้าง ฟังโดยดียมันเป็นเสียงนกไม่ใช่เสียงคนเราฟังแบบปรุงๆแต่แต่มันก็น่พอน่าพอเสียงนกฟังประเภทนะนกนกกระบานกกระบาดงนกกระบาโคกนกกระบาถามได้ยินไหมนกกระบาโคกโยกโยกกจนกกระบาดงครื่องเร็วเรื่องเร็ว นกกร บ, บาทางรุ่งรุ่รุ่งใช่ไหมไปได้ยินไหมสมยัยทุกวันนี้ไม่มีแล้วทำไมมันไม่มีแล้วนกพวก น, นี้ยมันหมดไปแล้วสมยัยเรื่องนี้เราพอจําจได้ตั้งแต่เป็นเด็ก เ, เ, เรื่องวัวเรื่องควายได้ยินกลางคืนโอ้มาอยู่นี่ก็ได้ยินแต่นี่ไม่มีแล้วเงียบนอนกลางคืนไม่มีเสียงอะไรแต่มันสมัยก่อนพวกเราเจอยอย่างไง เสียงช่างเสียงเสือเสียงหมีเสียงนกเสียงเห็นเสียงเอมินนะเสียงมินเนี่ยปรากฏว่ามันล่องอยู่แต่ใต้ทุนก็เตือตืตืตืตืตืตือตืแล้วก็เขาสตาร์ทรถปอจะใสอ้าวโอ้ยขับรถมาอยู่นี่นแล้วมันมาได้ไงมันรถติดคนอยู่ที่ไหนไม่เคยมีรถสักที บ้านี้เมืองนี่จะไหก่อนรถไม่ไม่มีเลยมอเตอร์ไซค์ไม่มีแต่มัยี่สิบนี่ยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปล่ะสิบเก้าเลยลเล ย, ยังไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เสียงเม่นมันมาล่องอยู่ใต้สมุตึ้งตึฟังดูจริงจินส่องไปฉายดูมันสั่นขนเม่นตัวใหญ่กลัวไหม ไปกลัวนะภาษาอะไรแ้ <c oughs> ร่ ก, กลัวถึงเมื่อไกับกลัวกิเลสปัญหาของตัวเอง <c oughs> คือความหลง <c oughs> จะพูดเล่นๆกันไปเนาะวันนี้เนะาะเราด้อยู่ด้วยหลายวันในไรกรบอกกันเนาะในปัญหาไรกระบอกผมขอตัดไอ้แก้วไอ้แก้วทำกาเพียนเล่นกันไปไม่หลับไม่นอน วันนี้กําลังจะ น, นอนหรือเปล่านอนหลับนะเล่นความเพี้ยนกันม่เล่ราก็มีเสียงอะไรมาบอกเดินทําอะไรกันไปหยุดไม่ต้องทำเลยไม่เก้วเสียนหลับไปไม่หยั่งมาบอกเลยหลงไปเลยกำลังอบรมวันนี้ทั้งวันเลยอะพอแล้วสำหรับวันนี้นะรับฝ่ารอบกัน อรังตมะจัมพุธโหหหวาภูตังวนทวะเทตวากาโตภะโธหธมโมอนัอมะจภะเวนหะพาวโตวหโส